50 languages. ในโรงแรมการมาถึงคุณมีห้องว่างไหมคะ Kithuha dekol k a m ค a k ผมอีกห้องบุ๊กคราอยาซี क क ดิฉันชื่อมิวเลอร์ค่ะเมียร์ามิลเลอร์เหดิฉันต้องการห้องเดียวค่ะเมนูอีกห้องใจด้าเหดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะเมนูสองโลคันเลยห้องใจด้าเหห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ อีกคืนหนึ่งในห้องจะต้องใช้เินเท่รคดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหน้าก๋วยเตน้าก๋วย้าก๋วเน้ียวห้าก๋ี๋ยนาก๋ี๋ยก๋วยวหน้ากเตี๋ยวหน้าก๋วยเตี๋ยวหน้าก๋วยเตี๋ยหน้าก๋วยเตี๋ห้าก๋วีน้าห้ากีหน้าีนาีกาาหาหว คม่ห้องนีดูได้ไหที่นี่มีโรงรถไหมคะียเทกีรา่ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะียเทตรี่ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะคียเทสแฟกซ์มชีนใชดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ อ च ्ชाาैं่ห้องแลนดाา अ ะอ่าช่าแม रा ้องแลนดีฮะนี่กุญแจห้องค่ะเอเฮ่ฉับย้อนนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะเอเฮ่เมื่อสัมบานเฮบริการอาหารเช้ากี่โมงคะน้าชตาคิเ ने ब เจ ह ุนा है บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะดตเพื่อดาข้าวนาคิเน่เวเจฮุนดาหบริการอาหารเย็นกี่โมงคะราดดาข้าวนาคิเน่เวเจฮุนดาหรอ